รู้กายรู้ลมหายใจพุทธพจน์หนึ่งมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าสองเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็ร <ming> ู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 3. เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นสี่สำเนีจอว่าเราจักเป็นผู้รู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกห้าสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้า 6. กสำเนียกว่าเราจักรมงับกายสังขารหายใจออก 7. ส็ดสำเนียกว่าเราจักรมงับกายสังขารหายใจเข้าลงมือปฏิบัติ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 อยากระงับความฟุ้งซ่านอยากสะกดจิตให้นิ่งโดยพลันทั้งที่ยังขาดปัจจัยที่พร้อมพอฉะนั้นแรกสุดให้ฝึกรู้ลมตามความเป็นจริงให้ได้ก่อนเริ่มด้วยการสำรวจสังเกตว่าฝ่าเท้าง อ, องุ้มไหมถ้างุ้มหรือเกรงอยู่ก็คลายออกเสียวางเท้าแบ่ราบกับพื้นอย่างสบายพอฝ่าเท้าสบาย พื้นจิตพื้นใจก็ปล่อยสบายตามก่อนหน้าถ้าฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยลงหรือถ้าเครียดมากก็จะเห็นว่าเครียดน้อยลงด้วยจากนั้นจึงสารวจว่าฝ่ามือผ่อนคลายหรือกมอยู่ถ้ากาก็คลายเสียจะวางไว้บนหน้าตักหรือที่ไหนก็ตามและถึงที่สุดให้สารวจขั้นสุดท้ายว่าทั่วใบหน้าผ่อนคลาย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 เกิดอะไรขึ้นกับกายใจบ้างแล้วเมื่อได้ความสบายตัวสบายใจเป็นฐานก็อย่าเพึ่งเพ่งจับเข้าไปที่ลมแต่ให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายต้องการเรียกลมเข้าหรือยงังถ้าต้องการคุณจะรู้สึกถึงความขาดขึ้นมาก่อนก็ค่อยลากลมหายใจเข้าสบายๆพอลากเข้ามาสุดจะรู้สึกอึดอัดต้องการระบาย ก็ให้ระบายออกอย่างเป็นธรรมชาติวัดความเป็นธรรมชาติได้จากการที่จิตไม่มีอาการเพ่งเล็งร่างกายไม่มีความเกร็งที่ตรงไหนจากนั้นสำคัญที่จะทำให้จิตเริ่มเป็นสมาธิอ่อนๆคือสังเกตว่าร่างกายยังไม่ได้ต้องการลมเข้าทันทีเมื่ อ, อยังไม่รู้สึกขาดก็ไม่ต้องรีบลากลมเข้ากายจะมีความนิ่งสบายอยู่ได้ระยะหนึ่ง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 ก็จะพลอยปรากฏให้รู้ไปด้วยเดี๋ยนี้เช่นกันความรู้สึกว่ามีหัวมีตัวมีแขนขาปรากฏเป็นท่าหนึ่งหนึ่งโดยปราศจากความเพ่งเล็งหรือเครียดเกรง็งนั่นแหละเรียกว่าการรู้อิริยาบถขอให้เข้าใจดีๆ ด, ด้วยว่าการก้มลงมองเห็นด้วยตาเปล่าว่วาร่างกายปรากฏในท่าใดหาใช่การรู้อิริยาบถไม่การรู้อิริยาบถ ต้องใช้ใจรู้เท่านั้นไม่ใช่ใช้สายตามองเห็นเบื้องต้นให้สังเกตว่าลมหายใจที่ยาวและนิ่มนวล น, นั้นทาให้รู้สึกว่ากายเป็นของโปร่งเบาเกิดสติอยู่กับกายอย่างง่ายดายเหมือนเป็นไปเองส่วนลมหายใจที่สั้นและหยาบทำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของทึบหนักแม้พยายามตั้งสติอยู่กับกายก็ลำบาก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 โดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆถ้านอนที่ถูกสุขลักษณะควรมีทั้งตะแคงและง่ายสลับกันการนอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัดฉะนั้นตราบเท่าที่ยังคงสติไม่หลับไปซะก่อนเราจะต้องตามรู้ไปว่ากำลังนอนงายหรือนอนตะแคงมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการนอนตามความเคยชิน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 ทำกายบริหารออกท่าออกทางต่างๆเป็นต้นจะมีท่าทางอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ให้รู้ท่าทางในสภาพนั้นๆเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้อิรยาบถเต็มขั้นอุบายง่ายๆคือให้สังเกตจุดรวมความรู้สึกทางกายอันได้แก่จุดกระทบขณะหนึ่งขณะหนึ่งหรือความตั้งตรงและโค้งงอของหลัง คุณก็จะรู้สึกถึงอิรยาบททางกายตามจริงได้ตลอดการฝึกรู้ตามที่พระพุทธองค์ส่งแนะไว้ในข้อนี้บอกกับเราอย่างหนึ่งคือท่าทางตายตัวสำหรับการฝึกสตินั้นไม่มีมีแต่ต้องเอาสติไปตามท่าทางทั้งหลายให้ทันการฝึกรู้อิรยาบทให้ถูกต้องนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากสำหรับการเจริญสติขั้นต่อๆไปเพราะ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 แต่อ่อนแต่ออกเราจะยึดกายอยู่ด้วยความเชื่อว่ากายนี้เป็นเราแน่ๆของเราแน่ๆต่อเมื่อมาฝึกเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจและอิริยาบถจึงค่อยคลายความเชื่อนั้นลงเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สักอย่างพอฝึกมีสติอยู่กับกายผ่านอิริยาบถต่างๆได้อย่างถูกต้องกระทั่งร่างกายปรากฏดุดหุ่นกล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 เช่นเมื่อยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก็จะตั้งสติอย่างเจาะจงลงไปที่มือหรือแขนจิต จ, จึงรับรู้ได้เพียงในขอบเขตแคบๆ แ, แค่มือหรือแขนอันนั้นไม่นับเป็นความรู้สึกตัวที่จะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้เพราะตามธรรมชาติของจิตแล้วเมื่อเพ่งเล็งสิ่งใดย่อมยึดสิ่งนั้นเพ่งมือก็รู้สึกว่านั่นมือของเราเพ่งแขน